นัตติกรรมังสมภลังแรงใดในโลกเสมอด้วย ทุกคนก็จะพบกับเกาะต่างๆกรังอ่าวไทยฝั่งทะวันออกมากมายหลาย 10 ในสมัยอดีตกาลนานมาแล้วก็มีพระเกจิชีวิตความเป็นมาของหลวงพ่อแดงติดโสเนี่ยเป็นชีวิตที่น่าสนใจน่า มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันคือพี่ผู้หญิงคน 21 ปีบริบูรณ์ท่านได้ทํา จึงได้ลาออกจากสมณเพศมีชีวิตอยู่ในเดือนก็มี แม้ว่าทางฝ่ายบิดามารดาฉันตัดสินใจอย่างแน่วแน่แล้วญาติพี่น้อง เมื่อท่านยืนยันอย่างหนักแน่นอย่างนั้น 26 ปีการนี้ท่านบวช เมื่อบวชแล้วก็อยู่จำวันสาที่วัดมเรศ 1 พรรษาหลังจากนั้นก็ตัดสินใจออกจาริกเม แต่ด้วยจิตของท่านก้าวไกลวัดเขาแหลมเสร็จ สภาพธรรมชาติของเกาะสมุยนั้นแม้จะมีเขาและถ้ำอันสงบเงียบแต่ก็จํากัดมักจะหนีผู้ ไปปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์เพชรที่เกาะพังงาๆขึ้นเป็นที่พักอาศัย ท่ามกลางเสียงคลื่นลมวันแล้ววันเล่าๆขนาด เรือใบลำน้อยจะถูกกางใบแล่นออกจากฝั่งก้าวแล่นไปตามกระแสคลื่นลมแล้วก็ทิศทางที่ท่านต้องการหลวงพ่อแดงบังคับหางเสือเรือๆๆ มีลักษณะน้ำวนซึ่งเป็นอันตรายสำหรับเรือใบขนาด อาศัยสายบาทให้ท่านนําอาหารที่ชาวบ้านถวาย การที่หลวงพ่อแดงมีชีวิตอยู่ใน มีอยู่ครั้งหนึ่งนายเอี่ยมบุญเจริญนั่งอยู่กับหลวง ทางขึ้นยอดเขามีทางขึ้นทางเดียวทาง มีอยู่ครั้งหนึ่งท่านแล่นเรือทุรดงไปพร้อมกับลูกๆอยู่แค่ข้อเท้าของท่าน กองทัพลูกพระอาทิตย์บุกเข้าๆในอ่าวไทยหลายจังหวัดเกาะสมุยเป็น ทหารญี่ปุ่นต้องล่าถอยไปไม่กล้ายกคนขึ้นบกสมุย เขาเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนบ้านฟังด้วยความงุนงงเรื่องทํานองเนี้ยมีปรากฏการเกิดขึ้นกับชาวบ้านอยู่บ่อยๆจนกระทั่งกลายเป็น เพื่อให้ท่านเดินทางเข้ารักษาตัวในโรง แล้วก็ดับลงต่อหน้าญาติ แล้วก็ตั้งชื่อว่าสำนักวิปัสสนากรรมฐาน สำนักวิปัสสนากรรมฐานพุทธเจดีย์แหลมสอเป็นสำนักปฏิบัติธรรม แม่หลานสิขาบวชออกมาเป็นคฤหัสถ์มีย่ามมี เมื่อบวชแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมตามแนวทางของหลวง ลงพادümanเป็นผ้าปล่าที่左ดงไปในเทเลโ бр และแผนดินใหญ่ในกว่าจสุรราธธานีครั้งหนึ่งนักปฏิบัทจากกรางเทเลได้มีโอกาสพปกับพระป่าซึ่งสร้างสำนักปฏิบัทธรรมที่เหมืองชาญามีความสนิสนม แนวทางการเผยแผ่ธรรมะของหลวงพ่อแดงก็ตรงดังนั้นสำนักปฏิบัติธรรมของหลวงพ่อแดงจึงรับหน้าที่เผยแผ่แล้วก็ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมในแนวทางเดียวกันสำนักสงวิปัสสนากรรมฐานพุทธจยดีและอมสอจึง หลายองค์ที่ได้มีโอกาสเดินทางเข้าไปศึกษาองค์ที่ได้มีโอกาสเดินทางเข้าไปศึกษาและปฏิบัติธรรมในสวนโมกมีการไป ธีรปุญโญท่านสถิตเป็นพระภิกษุหนุ่ม เป็นอนุสรณ์แก่พระพุทธศาสนาเป 75 ปีสร้างโดยพระครูภิบูรณ์ คั่นเริ่มลงมือสร้างก็ได้มีประชาชนพุทธบริษัทที่มีจิตใจกุศลแล้วก็เลื่อมใสศรัทธาพากันไปบริจาคกันมากลูกศิษย์ของท่านได้สร้างเหรียญขึ้นเป็นรุ่นแรกประมาณ 5,000 เหรียญเหรียญหนองพ่อแดงรุ่นแรกนี้เมื่อเข้าพิธีปลุกเสกปรากฏว่ามีผู้ที่เลื่อมกันได้เงินทุนถึง 65,497 บาทหลังจากนั้นวันขึ้น 8 ค่ําเดือน 9 ท่านบอกให้พระสถิต มีอะไรก็ให้บอกมาเสียตอนนี้เผื่อว่าท่านไม่กลับจะได้ทํางานต่อไป ล่มลงกลางทะเลกลายเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์วาระแห่งกรรมเป็นสิ่ง หลวงพ่อแดงใช้ชีวิตทุรดงอยู่ในน้ําทะเลและกระแสคลื่นลมสังขารของท่านมอบๆในโลกนี้ เหตุที่เกิดการอัศจรรย์ครั้งนี้ก็เนื่องจากพระใบฎีกาสถิตได้อธิษฐานว่าอยากจะสร้างอนุสรณ์ให้แก่หลวงพ่อแดงและปรับปรุงบูรณะวัดแหลมสอขอให้ท่านแสดงปรากฏการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเป็นกำลังใจคืนนั้นพระใบฎีกาสถิตก็ฝันเห็นหลวงพ่อแดงมาเข้าฝันบอกว่าอยากจะ ที่หน้าศาลาธรรมบนกำแพงเหนือคือศาลาธรรมในวัดปรากฏภาพหลวงพ่อแดงเด่นชัดนั่งสมาธิใกล้ๆอ่าใกล้ๆกับเสียนพระๆและญาติโยม ข่าวอันน่าอัศจรรย์ใจนี้เล่าลือต่อๆกันไปชาวบ้านก็แห่กันมาดูภาพนั้นไม่ได้ขาดนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดต่างพากันไปชมภาพนั้นด้วยความประหลาดใจใครที่เดินทางไปเที่ยวเกาะสมุยหากต้องการจะชมความมหัศจรรย์แห่งดวงวิญญาณของหลวงพ่อแดงก็แวะไปที่สำนักวิปัสสนากรรมฐานพุทธจดีแหลมสอได้นั่นคืออิทธิปาฏิหาริย์ครั้งล่าสุดของพระภิกษุอาวุโสซึ่งเป็นที่เคารพนับถือมาช้านาน เป็นภาวะปฏิบัติที่บรรลุธรรมหลุดพ้นจากอำนาจ